ได้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะมันมีหนูกับลูกออกมาหากินอยู่ข้างพงหญ้าแล้วก็จูๆก็มีงูเนี่ยนะงูตัวใหญ่ด้วยสีดำเลยไม่รู้ว่างูเห่าหรอเปล่ามันก็มาคาบลูกหนูไปแล้วก็เลื้อยเข้าไปในพงหญ้าแต่ไม่ทนาะถึงพงหญ้านะ แม่หนูมันก็เรียกเข้าไปหาทางช่วยลูกหนูมันทำยังไงรู้ไหมมันก็ไปกัดที่หางนะขนอนหางของงูงูตัวนั้นนะงูมันก็เจ็บนะทีแรก ม, มันก็อดทนนะมันก็พยายามที่จะเลื้อยต่อไปโดยมีลูกหนูอยู่ในปากนะแต่แม่หนูก็ไม่ ลดละความเพียนพยายนมก็กัดกัดกัดั ด, ดจนกระทัง่งตัวงูเนี่ยนะมันก็ปล่อยนะลูกหนูแล้วก็หันมาจะเล่นงานตัวแม่หนูนะแม่หนูก็หาทางลบหลีกนะเสร็จ แ, แล้วงูก็ไปคว้าลูกหนูใหม่ แม่หนูก็ไม่ยอมแล้วกัดกัดกัดนะตัวน่าสุดท้ายงูยอมแพ้นะก็ต้องวางลูกหนูลงและตัวมันก็เลยเข้าพงหญ้าไปเลยอันนี้เขาก็เชื่อถึงความรักของแม่นะทีะ่รักลูกมากนะงูตัวใหญ่น ะ, ะหนูก็ไม่กลัวแต่จริงมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งแสดงความรักของแม่เท่านั้นนะ เพราะว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ต่างพันธุ์เนี่ ย, เ, ยเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็มีนะหลวงพ่อขมเขียนเคยเล่าตรงสาระไก่เนี่ยมันมีงูงูสาจะเป็นงูตัวใหญ่บางคนก็นวดเป็นงูจงอางนะแต่ว่าที่จริงมันไม่ได้มีพิษร้ายอะไรขานึ้มก็จับหนูได้นะมันก็เลื้อยนะเข้าป่าจูๆนะมีกระรอกตัวหนึ่ง ลงมาเลยนะลงมาจากต้นไม้เนี่ยมาทําอะไรรู้ไหมมากัดหางงูนะพยายามกัดส่งเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กแแล้วก็กัดไอ้งูมันก็ทีแรกก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยหนูนะกระ็รอกก็ไม่ยอมนะกัดอยู่นั่นแหละจนกระทั่งสุดท้ายงูมันก็ต้องยอมปล่อยหนูแล้วหันมาเล่นงานอก็รอกกรอกรอกก็หลบหลีกนะพยายามที่จะไม่สู้ด้วยนะ วิ่งไปที่ทางขนดทางของงูไอ้งูจุดอ่อนของมันนี่ก็คือหางนั่นแหละเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ เ, เ, เรียกว่าแหวงนะกัดสัตว์ที่อยู่ตรงปลายหางของมันได้สะดวกนะอัน น, นี้หนูเนี่ยนะมันก็ถูกงูคาบนะมันก็หมดแรงนะก็ไม่มีแรงก็นอนอยู่กันแหละ งูมันก็พยายามจะไปคาบหนูนะแต่ว่ากระรอกก็พยายามที่จะดึงความสนใจจากงูนะก็หาทางที่จะกัดอยู่นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยงูมันก็ยอมแพ้นะงูยอมแพ้นะเข้าป่าไปนะส่วนงูก็ส่วนหนูก็รอดตายนะอันนี้มันแสดงเห็นนะว่าความรักเนี่ยความเสศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างแม่กับลูกเท่านั้นนะ แม้กระทั่งสัตว์ต่างพันธุ์เนี่ยก็ลอกนะกับหนูนี่มันก็คนละชนิดพันธุ์กันเลยนะแต่ว่าอาจจะคุ้นเคยกันก็ได้นี่เราไม่รู้นะล้หลวงพอ่อพอท่านเล่าเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันจะเสศหลัก ป, ปานนี้ไหมนะจะกล้าที่จะช่วยเออเพื่อหรือคนแปลกหน้าที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือเปล่า แต่สัตว์นะี่มันมีตรงนี้นะนันจะเรียกว่าสัตว์มีความเมตตานี่ก็ไม่ผิดเราจะไปคิดว่าเมตตานี่มันมีเฉพาะกับมนุษย์นะสัตว์นี่มันก็มีความรักระหว่างเพื่อนต่างพันุ์นะอันนี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะไก่กับเป็ดนะหรือว่าแม้แต่หนูกับแมวนะมันก็ยังมี แต่ภาพที่ได้เห็นหรือว่าที่หลวงพ่อท่านบรรยายเนี่ยถ้ามองให้ดีๆเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนในหนึ่งความรักความเสียสละระหว่างสัสตว์ต่างพันธุ์เท่านั้นนะมองให้ดีมันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันไม่ใช่ธรรมะเกี่ยวกับเมตตาธรรมเท่านั้นนะเราจะเปรียบหนูนะเหมือนใจนะเหมือนใจเรา ส่วนงูเนี่ยก็อาจจะเป็นกินเลส ก, ก็ได้กิเลสเนี่ยหรือว่าความหลงความฟุ้งซ่านความโกรธความเศร้าเนี่ยบ่อยครั้งมันก็คาบจิตเราไปเราสังเกตมไหมเวลาเราเป็นทุกข์เวลาเราเศร้าโศนในจิตเราไม่รู้ไปไหนมันโดนความโกรธมันโดนความเศร้ามันโดนอารมณ์เช่อนอกุศลอยู่คาบไปแต่สิ่งที่จะช่วยจิตของเราได้ในภาวะ ที่เป็นอันตรายนั้นเนี่ยนะก็คือความรู้สึกตัวก็รอกที่เขาไปกัดงูเนี่ยนะมันเปรียบได้กับความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันสามารถจะช่วยจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ความโศกความเศร้าหรือว่าอันตรายได้ไออาการเหล่านี้เนี่ยความโศกความเศร้าเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะ อันตรายมีสองอย่างอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นสัตว์ ร, ร้ายภัยธรรมชาติคนที่ปองร้ายรถยน์ที่กำลังพุ่งชนนะเนี่ยสมัยโน้นไม่มีนะแต่ว่าเปรียบได้สมัยนี้ก็คืออันตรายที่เปิดเผยคือเห็นตัวนั่นแหละแต่อันตรายที่ปกปิดก็คือไอ้อคุณสมญมันเกิดขึ้นในใจความถือตัวมานะ นะโลภะโทสะราคะพวกนี้รวมทั้งความโศกความเศร้าความท้อแท้พวกนี้มันเป็นอันตรายที่ปกปิดมันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับใจเราทีไลเล่นงานใจเราทีไลเนี่ยก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไมห่หลับบางทีก็ถึงกับท้อแท้หดหู่ไม่อยากอยู่อยากตายนะฆ่าตัวตายเพราะความท้อแทหห้หดหู่เศร้าโศกเสียใจก็เยอะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนไปก็เหมือนกับว่า ใจเหมือนกับนูเนี่ยมันกำลังจะถูกงูเนี่ยฆ่าไปแล้วนะแต่ว่ากระรอกเนี่ยนะมันคือความรู้สึกตัวที่สามารถจะช่วยใจของเราเนี่ยให้พ้นจากอันตรายได้ใหม่ๆเนี่ยความรู้สึกตัวถ้ายังน้อยอยู่นะมันก็เหมือนกระรอกนะตัวเล็กๆที่ยังกัดขนของงูได้ไม่เท่าไหร่กัดได้นิดหน่อย งูนี่ไม่สนใจเลยแต่ถ้าเกิดว่ากระลอกตัวใหญ่ๆนะหรือว่ากระรอกนี่ไม่ทิ้งความเพียรกัดอยู่เรื่อยๆกัดกัดกนี่นะสุดท้ายงูมันก็ต้องยอมนะงูมันก็ปวดนะแล้วงูมก็ต้องยอมต้องคลายคลายหนูทิ้งนะไอ้กิเลสก็เหมือนกันนะความเศร้าโศกความเสียใจเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกตัวเข้ามาช่วยเนี่ยนะ ก, กิเลสเหล่านี้ถ้ามันมีความรู้สึกตัวเข้ามาเนี่ย ความสุกตัวจะเข้าไปจัดการกับกิเลสเหล่านี้นะทำให้มันต้องคลายนะต้องคลายใจของเราออกมาหนะน้าที่ของเราคือว่าพยายามที่จะมีหรือสร้างไอความสึกตัวนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันสามารถจะช่วยให้จิตใจของเราพ้นจากอันตรายได้นะที่จริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าตัดได้ชัดเลยนะ บุคคลเมื่อมีความสึกตัวอยู่กุศลกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปนะเมื่อบุคคลมีความสึกตัวอยู่นะความสึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นนะไม่เลอะเลือนไม่อันตรธานแห่งศัจธรรมนะพอมันเกิดขึ้นทีไรนะ ไอ้ความหลงมันก็ต้องยอมแพ้ไปเราก็ขึ้นทีายความโศก ค, ความเศร้าความเครียดแค้นเพยาบาทก็เลือนหายไปแต่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือนหายไปเร็วนะมันก็มันกันงูนะที่มันยังคาบนะคาบหนูเอาไว้นะไอ้ก็รอกนี่ก็ต้องกัดกัดกัดกัดอยู่นั่นแหละนะกัดจกนกระทั่ง งูนี่มันยอมแพ้นะงูนี่มันไม่มีมือเหมือนคนเรานะถ้ามันมีมือสองข้างเหมือนเรานะมันมือหนึ่งอาจจะคาบหรืออาจจะจับหนูเอาไว้นะอีกมือหนึ่งก็อาจจะใช้จัดการกับกรรอกที่มาเล่นงานก็ได้หรือถ้ามันมีปากอยู่สองปากเนี่ยปากหนึ่งก็คาบหนูไว้ปากหนึ่งก็แหวงนะเข้ามา มังับมังกัดกัดลอกแต่ว่ามันมีได้ปากเดียวนะจิตใจเราก็มีได้อารมณ์เดียวนะจิตใจเราดับได้อารมณ์เดียวนะถ้าจิตใจตอนนั้นเนี่ยกําลังจับอะไรบางอย่างอยู่อาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่มันก็ จะให้มันปล่อยเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเอาความสึกตัวเข้ามาแทนที่ถ้าความสึกตัวเกิดขึ้นกระจเมื่อไหร่ก็เหมือนกับมือเนี่ยถ้ามีมือเดียวเราจับอะไรไว้เราก็ต้องวางสิ่งนั้นไว้ก่อนมือจับโทรศัพท์อยู่นะแต่ว่ามีอาหารอยู่ข้างหน้าเราอยากกินอาหารก็ต้องวางโทรศัพท์เพื่อจับช้อน เพราะนั้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเราสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในใจจิตเนี่ยพอมันรับรู้ได้หรือว่ากำหนดอยู่กับกุศลธรรมเนี่ยหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นกลางๆเช่นลมหายใจเช่นมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่เดินเนี่ยนะมันก็ต้องวางอารมณ์อื่นความคิดในเรื่องเกี่ยวกับอดีต นะความกังวลเพราะนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตให้พวกนี้เนี่ยใจมันต้องวางทันทนะีเพราะฉะนั้นเนี่ ย, เ, ยเมื่อเราพยายามสร้างความรู้สึกตัวไว้เนี่ยมันก็เป็นหลักประกันนะว่าจิตใจของเราเจะปลอดจากอันตรายจะไม่มีอันตรายใดที่จะมาครอบงมจิตใจหรือว่า จิตใจของเราก็จะไม่ไปยึดอะไรที่มันเป็นโทษไม่ไปจับฐานร้อนๆ น, นะไม่ไปกรรมเศษแก้วในมือหรือว่ามีโกนในมือมันจะวางนะเพราะว่ามีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่นะแล้วก็เตรียมรับพร